หมวดที่สิบเอ็ดภิกษุทั้งหลายนิยสกรรมประกอบด้วยองค์สามอีกอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นกรรมไม่ชอบด้วยวินัยและระงับไม่ดีคือ 1. ไม่ให้จำเลยให้การก่อนแล้วจึงลง 2. ลงโดยไม่ชอบธรรมสสงแบ่งพวกกันลงภิกษุทั้งหลาย